ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเอ3สาแผ่นที่ห้าสิบแปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สามแผ่นที่ห้าสิบแปดให้คติธรรมหัวข้อว่าลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่เมื่อแก่เท่าไม่นับว่า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 พราะพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้อย่างนั้นถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปเราในฐานะลูกหญิงชายก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลล้ำลึกถึงพระคุณของท่านเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่เพราะนั้นเมื่อท่านพ่อแม่ล่วงลับไปเกระดกของท่านก็ยังอยู่กับเราเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าถ้าพวกเรา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 อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเถิน